บทสรุปท่านทั้งหลายธรรมคืออธิกรณะสมถะเจอย่างข้าพเจ้ายกขึ้นแสดงแล้วข้าพเจ้าขอถามท่านทั้งหลายในธรรมคืออธิกรณะสมถะเหล่านั้นว่าท่านทั้งหลายบริสุทธิ์แล้วหรือข้าพเจ้าขอถามเป็นครั้งที่สองท่านทั้งหลายบริสุทธิ์แล้วหรือข้าพเจ้าขอถามเป็นครั้งที่สท่านทั้งหลายบริสุทธิ์แล้วหรือท่านทั้งหลายบริสุทธิ์แล้วในธรรมคืออธิกรณะสมถะเจ็ดเหล่านี้เพราะฉะนั้นจึงนิ่ง ข้าพเจ้าขอถือความนิ่งนั้นเป็นมติอย่างนี้อธิกรณะสมถะจบ